บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปสมถกรรมฐานนั้นเป็นอุบายวิธีที่ทำจิตใจของบุคคลให้สงบนั้นในระดับระบาลีที่เป็นพระพุทธวจนะทรงใช้กรรมสมถะแประว่าสงบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิชานคือการตั้งสติระลึกเพ่งดูอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ที่นํามาเพ่งนั้นจะมีทั้งที่เป็นรูปธรรมคือใช้ตาดูทั้งที่เป็นนามธรรมาคือใช้ใจคิดคิดใจใช้ใจเพ่งแต่บางอย่างนั้นจะใช้ทั้งสองอย่าง คือในขณะที่ตาดูไปนั้นใจก็ต้องเพ่งระลึกตามไปด้วยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วก็คือต้องการจะให้ใจมีความสงบอยู่กับสิ่งที่เราเพ่งดูหรือเพ่งระลึกในขณะนั้นๆั้นเมื่อใจสงบแล้วจะทำให้กิเลสมันสงบตามไปเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่สาคัญจริงๆ จึงอยู่ที่ความสงบของกิเลสดัง น, นั้นท่านจึงนิยามความหมายไว้ว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งริวอร์ดทั้งหาประการได้การปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าสมถะหรือสมถะกรรมฐานที่แปลว่าการงานซึ่งบุคคลจะต้องทำในทางใจอารมณ์ที่ใช้เพ่งดูด้วยตา เป็นกลุ่มของอารมณ์ประเภทที่เรียกว่ากสินฉันดูดินดูน้ำดูลมดูไฟดูอากาศดูสีต่างๆที่ปรากฏในที่นั้นๆเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำไปต้นตาก็เพ่งดูไปใจก็กำหนดตามอารมณ์ที่เราเพ่ง ธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติประคงใช้สติความเพียรและสัมผััญญาเช่นเดิมเพียงแต่ว่าอาศัยวัตถุเป็นเครื่องเกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเอาไว้ในการเพ่งกิมเป็นการกระทำในตอนเบื้องต้นพอในตอนหลังนั้นท่านก็สอนให้หลับตาท่านเรียกว่า กุกขนิมิตคือนิมิต ท, ที่ติดตาหมายความจริงๆแล้วเรากลักตาแต่ว่าตาใจคือตาปัญญานั้นได้เห็นดินน้ําลมไฟอย่างที่ตาเนื้อเห็นแต่เมื่จิตใจมีความสงบขึ้นพวกภาพเหล่านั้นหรือนิมิตเหล่านั้นจะมีความประณีตมากยิ่งขึ้นจิตถึงใจสามารถกําหนดขยายส่วนยอดส่วน คิดพลิกผันนิมิตเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่ตนต้องการตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นปฏิภา ค, คนิมิตคือนิมิตลักษณะเชียบเคียงซึ่งเป็นการปรุงของจิตคือจิตปรุงการที่จิตปรุงอยู่ในเรื่องนั้นก็แสดงว่าจิตก็สงบอยู่ในเรื่องนั้นแต่ขณะที่พลิกผันตัวนิมิตให้เปลี่ยนแปลงไปหยุดนั่นเอง มันจะมีปัญญาปรากฏขึ้นมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตอนแรกเราก็เรียนจากนิมิตที่ปรากฏแก่ตาปัญญาคือตาภายในของเราในขณะนั้นนั้นแต่ในสุดความคิดเหล่านี้ก็จะกำลังจะมีกำลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้นมองขยายออกไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นสาโกลว่าสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เองคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นตุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นเองสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นแเมื่อปริมาณปัญญาของเพิ่มขึ้นคล้ายๆกระแสงสว่างเพิ่มขึ้นก็เห็นสิ่งที่เคยอยู่ในที่มืดต่กว้างไกลออกไปโดยลาดับ จนถึงกลายเป็นภาพที่สา ก, กลที่อาจารยใช้คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นนัตตาตอนนี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานจะกรรมฐานบางอย่างเนี่ยมุ่งที่จะให้คนได้ใช้สติดะลึกในตอนต้น และพิจารณาไปชช่นเดียวกันแต่การพิจารณานั้นมุ่งสำรอกความกำหนัดความรักใคร่พอใจจึงพวกแรกแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่ซึ่งนันสาธั้งหลายจะเห็นว่ามุ่งมองในแง่ของธาตุเขากลายเป็นรูปธรรมคือสิ่งที่เราดูด้วยตาได้ ในส่วนที่เป็นธาตุดินก็มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อวในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดเป็นต้นคือแต่ละอย่างนั้นเราดูด้วยตาได้ก็ดูด้วยดูด้วยตาในตอนต้นนั้นก็ไม่ให้ดูมากดูจะเฉพาะผมขนและฟันหนังซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเราที่ถามว่าดูที่ไหนก็ดูที่เรา เพราะหมคนและความหนังของเราก็มีอยู่ของคนอื่นมันก็คือหมคนแด้ความหนังเหมือนกันเอาข้อพจน์จริงๆก็แยกไม่ออกนอกจากผู้ที่ศึกษาจนชำนิชำนาญในเรื่องนั้นมาก็ใช้หลักวิชาการเป็นเครื่องมือในการแยกแต่โดยทั่วไปเราก็แยกไม่ออกเพราแสดงว่ามันตกอยู่ในสภาพเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มของผมคนได้ผ่านหนังที่ห่อคุ้มร่างกายของเราอยู่นี้เองเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเครืนเรามีความกำหนัดเรใคร่พอใจสิ่งที่กำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็สังเกตว่าแล้วก็คือกลุ่มของผมคนได้ผ่านหนังแต่ยังเกาะกลุมกันอยู่ตามสัดส่วนของมันไม่ร่วงไม่หล่น หรือบางทีก็มีการปรุงแต่งไว้เสร็จแล้วใจของบุคคลผู้ถูกราคะกลุ้มกลุ้มหรือความกำลัดระแค่พอใจกลุ้มกลุมก็กําหนดเปในแนวนั้นเพราะในการจเจริญกรรมฐานเราก็สอนเพ่งดูเหมือนกันเพ่งดูจนจิต ใ, ใจสงบอยู่ที่บุคคลในควานั้นที่จริงการดูจะดูอะไรก่อนก็ได้ดูสักอย่างนึ่งก่อนก็ได้ จะให้เห็นถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของสิ่งเหล่าเด่นดูที่รูปที่กลิ่นที่สถานที่เกิดสถานที่อยู่เราจะเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งปฏิกูลสกปรกที่ผมควรเรียว่าหนังเหล่านั้นเกี่ยวข้องอยู่จุดนี้เป็นการเป็นจุดมุ่งที่ต้องการคลายความกับหนักเป็นหลัก เพื่ก็เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานราคะจริตจิตมีความกำหนดในอารมณ์ทั้งหลายในแง่ที่เพิ่มกิเลสสายโลภะที่สงช้ยับว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจตลอดต้องการมองในแนวที่เป็นอาหารซึ่งเรานำก็ไปหล่อดิ้งร่างกายที่เป็นใช้ับว่าอาหารเดบปฏิกูลสัญญาคือมองอาหารให้เห็นเป็นของปฏิบุล ในตอนต้นก็มองเฉพาะที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่ถ้ายังไม่เห็นก็มองไปด้วยๆมองในขณะที่อาหารเหล่านั้นแปรสภาพไปเป็นอาหารบูดอาหารเสียอันนี้ก็เททิ้งเศษอาหารต่างๆเราตั้งอาหารที่เข้าไปสู่ลำคอเข้าไปอยู่ใน ในปากอยู่ในลำคออยู่ในท้องการหมักหมักมมมสะสมการขับถ่ายออกมาเป็นต้นเป็นการมองให้เชื่อมถึงกันแล้วในสุดเราก็มองถึงก่อนที่จะเป็นอาหารก็จะมองเห็นว่าในกระบวนการเหล่านี้ที่จริงล้วนแล้วแต่มีความปฏิกูลน่าเกลียดปรากฏได้เห็นอยู่ทุกช่วงช่วงที่น่ารับประทานจริงๆหรือพอรับประทานได้ ก็ในช่วงที่อาหารที่ควรร้อนก็กำลังร้อนอาหารที่ควรเย็นก็กำลังเย็นแต่นั้นเดงผ่านการเวลาเป็นหน่อยเดียวก็ไม่นรับประทานแล้วด้วยจนรับประทานไม่ได้ไปแล้วแต่การกระรกก็เกิดขึ้นด้วยการหละเลี้ยงการแทรกซึมไปกับสิ่งเหล่านี้บาทีมันก็กลายเป็นว่า ท้องของเราเป็นที่ประชุมของซากศพสัตว์ต่างๆสารพัดก็เป็นป่าชาขนาดมือมาที่รวมกันอยู่จุด น, นี้ก็มุ่งตรงแต่ทางคลายกำหนัดเช่นเดียวกันแต่ลืมว่าในจุดกำหนัดนั่นเองมันมีความขัดเครืองแฝงเร้นอยู่คล้ายกับวิถีชีวิตของเราที่ปรากฏเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ปรากฏแฝงเร้นอยู่ พร้อมที่จะแสดงตัวออกมาซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างเส้นข น, นานเล็กๆ ก, ก็ได้ตํำนองใกล้ๆกับอุณหภูมิที่มันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งพอขึ้นไปแรงก็แม้แต่เครื่องวัดอุณหภูมิเองก็ระเบิดได้ลดลงมาอีจุดหนึง่งก็เกิดมีปัญหาแต่ถ้าอยู่ระดับกลางก็เรียกพอดูได้อพอใช้ดได้พระส ภ, ภาพของ ชีวิตเราที่จริงก็มีลักษณะอย่างนั้นยิ่งในปัจจุบันค่อนข้างจะเห็นได้ง่ายกว่าในสมัยก่อนในซ้ําไปเช่นระหว่างความเป็นกับความตายระหว่างความเป็นกับความเจ็บป่วยระหว่างความเป็นกับความพิกลพิการระหว่างความเป็นกับอุบัติเหตุทั้งหลาย เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างเส้นขนานซึ่งพร้อมที่จะเกิดคือพร้อมจะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งจะดพบุกันว่าเห็นอยู่หลัดหลัดแลว้วก็มาพรากไปแล้วมันแสดงเห็นว่าความตายก็แฝงอยู่กับความเป็นแต่จะแสดงตัวเมื่อไหรก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะในส่วนของพวกกิเลสก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันในขณะที่มีความกำหนัดรักใคร่อยู่นั้น เราต้องมองว่าความกัณฑ์เนี่ยมันเป็นกิเลสเมื่อเป็นกิเลสก็เป็นสมุทยัยคือเหตุได้เกิดทุกข์แต่ในสายของกิเลสนั้นประการหนึ่งคือเพิ่มกิเลสสายตัวเองขึ้นมาประการที่สองก็คือเพิ่มกิเลสสายอื่นประการที่สาก็คือเพิ่มทุกข์ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะปรากฏด้านหนึ่งขึ้นมาเสมอไป เช่นในกรณีที่เราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดได้สิ่งนั้นตามต้องการถ้าถามใจตัวเองว่าพอได้อย่างหยุดได้หรือย่างใจก็จะกระสันอยากจะไขว้คว้าจะปรารถนาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นต่อไปเรื่อยๆถามว่าเมื่อไร่จะพอมันไม่มีคําว่าพอ แสดงว่าในสายนี้ก็คือเพิ่มอิเลสสายเดียวกันขึ้นมาอค อ, อยากได้ไปเรื่อยๆแล้วก็มามีการปรุงแต่งสิ่งที่ได้ไปเรื่อยๆในขณะที่ได้เนี่ยมันจะมีพวกทุกข์สัตย์ปรากฏจุคือความห่วงใยวิตกกังวลหวาดระแวงกลัวภัยอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนเองได้กลัวคนอื่นจะชื่แจ้ง กลัวสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายกลัวว่าภัยจาธรรมชาติต่างๆเป็นต้นจะเกิดขึ้นจึงมีการราาักษามีการป้องกันโดยวิธีการต่างๆผลแสดงเห็นว่าในขณะที่เกิดกิเลสสายโลภะนั้นเองความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันไอ้กิเลสประเภทโทสะก็พร้อมที่จะออกมา เป็นของที่เรารักใคร่ทนุทนอมอย่างดีแม้ใครมาแต่ต้องก็โกรธละก็เกิดโทสะแล้วาะเมื่อเกิดโทสะก็แสดงไว้เพิ่มกิเลสกลุ่มโทสะขึ้นมาเพรอสิ่งนั้นเสือเส่อมไปเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ตามต้องการกิเลสสายโลภะก็เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงปรากฏในรูปคล้ายๆกับ มีเส้นขั้นอยู่เพียงนิดเดียวแต่นั้นเองแต่พร้อมที่จะแกว่งไปได้ตลอดพอื้นสภาพจิตของบุคคลบางครั้งจะมีความสับสนมีความห่วงกงังวลมีความรำคาญหงุดหงิดมีความอยากได้จิตก็เกิดความสับสนแต่บางครั้งก็กลายเป็นอาการทางจิต เพื่อนกนมาถามประเภทนี้หรือประเภทใดก็ตามอย่างประเภทกสิณนั้นมุ่งที่จะสงบกิเลสประเภทโทสะเพราะอะไรเพราะจิตที่ตั้งมัน่นที่ดูสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติมันไม่มีชีวิตสิ่งที่เราดูนั้นไม่มีชีวิตแล้วก็ดูโดยโปกติของสิ่งเหล่านั้นที่ไม่มีการปรุงแต่ง เพื่อนความรักความชังในสิ่งนั้นจึงไม่ค่อยมีมากก็นี่ท่านตั้งหลายลองสังเกตว่าเลวลาเรามองสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าว่าสิ่งนั้นเป็นคนเป็นสัตว์ความรู้สึกจะไหวอความยินดียินร้ายจะไหวแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติแล้วความรู้สึกยินดียินร้ายจะไม่ไหวเพราะะไรเพราะเขาไม่มีลักษณะกระตุ้นมาก แต่คนสัตว์นั้นจะมีตัวกระตุ้นยูมากแล้วเราก็เก็บเชื้อความรู้สึกต่อคนสัตว์เหล่านั้นไว้ภายในคือทั้งดีทั้งไม่ดีแม้ความบวกก็เพิ่มกิเลกก็ได้เพิ่มธรรมะ ก, ก็ได้เพิ่มกิเลสสายโลภะก็ได้สายโทสะก็ได้แต่พอทำให้ชาตินอกจากพอเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดโลภะแต่ว่าโทสะเราไม่เคยเกิด จนใครจะไปโกรธ ด, ดินโกรธน้ำโกรธลมโกรธไฟโกรธอากาศโกรธสีต่างๆเนี่ยมันไม่มีแตถ้าใครไปโกรธก็อากาศหนักออกมากๆแต่ไม่ใจถึงกับไม่มีเดีวแบบก็มีเหมือนกันแต่เราสังเกตว่าการกระทำของบุคคลบางคนซึ่งก็ถือว่าแปลกจะมาเดินไปสะดุด อะไรเดี็กก็วางเอาไว้แล้วก็เกิดไม่พอใจก็ไปเตะสิ่งนั้นซ้ําแสดงว่าโทสะเป็นเหอิทธ้เกิดโทสะแต่หมายถึงโมหะมันมากก็ที่สะดุดไปแล้วมันก็เจ็บไปแล้ว ท, ทําไมจึงเตะซ้ําอีกใหมันเจ็บอีกและเวลาเจ็บไปสิ่งนั้นก็ไม่ได้เจ็บเราเป็นคนเจ็บบางครั้งเราอาจจะกลบคนที่วางไปแต่คนนั้นก็ไม่ได้เจ็บ เพราะสิ่งที่เราเตะนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นเตะสิ่งที่เราสะดุดอาการกับจิตเหล่านี้ก็คือโทสะมันมากแล้วก็โมฆะมันมากแต่ตามปกติแล้วความยินไร้ยในธรรมชาตินั้นจะมีน้อยความโลภะนะมีมีมากเห็นเป็นที่ดินเป็นต้นไม้เป็นอะไรมันก็อยากได้แต่โทสะจะมีอยู่น้อย พันใจคล้ายๆจะมีความพร้อมประสมควรที่จะสงบอยู่กับสิ่งเหล่า น, นั้นดินน้ำลมคอยอากาศโลกสีต่างๆพวกนี้ก็มุ่งเน้นสงบพวกกิเลสสายโทสะเป็นประการสาคัญแต่พวกที่กล่าวมาแล้วที่ท่านสรุปรวมเป็นพวกกายจกราสติก็ดีพวกอาหารก็ดีพวกาธาตุก็ดี ตลอดเลยไปจนถึงพวกซากศพทั้งหลายที่เรียกว่าสุภพกับประธานมานันมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเป็นหลักเพรนี่เราสังเกตว่าใจจะไวต่อราคะจะไวต่อโลภะในรูปสวยๆความเสียงที่ไปรอบเป็นต้นนี่จิตจะจิตจะไวต่อราคะจะไวต่อโลภะคืออยากได้มีความกระดเพื่อเลินยินดีเพราะฉั้นสะสมความรู้สึก กำนรักครยินดีในสิ่งเหล่านี้ไว้มากการสอนจึงมีลนะักษณะสอนในแนวที่แส้น้ำยอกน้ำปง่งหรือสำนวนอย่างหนึ่งที่ท่านใช้คบมากว่าน้ำน้ำเข้าหูแล้วก็น้ำใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็น้ำนั้นก็จะถูกดึงออกมา ต้ว่างหนึ่งที่ท่านใช้คำว่ า, น, าน้ำยกน้ําบ่งคือน้ําบ่งน้ําหมายความว่าใช้วิธีการมองสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่จะปฏิเสธการมองการดูแต่ว่ามองในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่จะมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเมื่อตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นราคากระตุ้นโลภะมันก็มองในแนวที่จะถ่ายถอนราคาโลภะ เป็นการดึงออกมาอีกทีบางเรื่องเป็นการมุ่งที่จะกระจัดกิเลสประเภทโทสประเภทโมฆะเป็นหลักท่านเาจะเห็นว่ากิเลสประเภทนี้ปรากฏแก่จิตของเราที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันปรากฏมากก็คือไม่รู้ ความงงงายความไร้ผลต่างๆตัวสิ่งตัวสื่อต่างๆที่รับฟังมาจะหลงเชื่อโดยการใช้ปัญญาพิณิพิจนาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างโน้นเป็นอาการของกิเลสประเภทโมฆะแต่การที่ปรากฏกนจิตในแนวของนิวรณ์มากก็คือเรื่องของความฟุ่งซ่านที่เราเรียกว่าอุจจจะคือฟุ่ง ใจสายไปเล่นไปในอารมทั้งหลายรเรื่องอาราวอะไรไม่ค่อยไหนลักษณะจิตสายนั้นคือจิตที่ไม่อยั่งลงมั่นคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันก็สายไปเรื่อย que. ตำนองคล้ายๆกับต้นไม้ที่มันปลูกเอาไว้แล้วอย่างไม่มั่นคงก็แล้วแต่ลมจะพัด เดืด ต, ตันๆมักอุปมาลมทงที่ปลายเสาคือจะเห็นได้ชัดว่าตัวของลมตัวของทงนั้นไม่มั่นคงคือไม่แข็งแรงพอถูกลมนิดลงหน่อยก็พลิ้วก็ไหวก็แกว่งก็ไหวก็บกสะบัดไปเรื่อยๆตามแรงของลมจิตใจบุคคลที่มีลักษณะเหมือนทงปลายเสามันก็เป็นเช่นนั้น ในสุจะออกมาในรูปของความเลื่อมใสที่เลื่อนลอยหรือว่ามศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยแต่บางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าไปนเน้นที่ศรัทธาคือไปพูดเรื่องตัวนี้ไปพูดเรื่องศรัทธาเพราะอะไรเพราะศรัทธาเวลาเกิดเนี่ยก็จะทําทหน้าที่กระจัดสิ่งครั้งแรกก็คือกจัดความไม่เชื่อ แต่เมื่อกำลังเขามากขึ้นก็เพิ่มปูนขึ้นก็กระจัดความเครือแแ็งสงสัยซึ่งเป็นตัวโมหะพวกวิจิกิจิชาที่กล่าวมาหลายครั้งก็เป็นกิเลสประเภทโมหะที่เป็นอาการทางจิตมากโดยเฉพาะคนที่ร่วมการผ่านไปมาพอสมควรแต่ขนาดไม่รู้เลยเนี่ยมันก็คงมีไม่มากเท่าไหร่ มีแต่รู้ไม่จริงคือเครืองแปรงสงสัยไม่แน่ใจในบางแง่บางมงุมเพราะนันการที่ปรากฏแก่กจิตจึงมาในรูปของความพุ่งสัน้นกับความเครื่องแปรงสงสัยนี่มาเรื่งการประทานประเภทพวกอนุสติเป็นการตั้งสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราจะเห็นว่าเป็นการคุมจิตให้มีหลักยึดเหนี่ยว แต่ที่จะพูดเราเราจะพูดเรื่องความเครือบแคลงสงสยัยก็ไม่พูดพูดเรื่องความศรัทธาเพราะศรัทธานั้นเป็นบวกความเครือบแคลงสงสัยเป็นลบเมื่อบวกมากขึ้นแไอความเครือบแคลงสงสัยก็จะลดลงแล้วความศรัทธาเรื่องสายนั้นเหมือนแสงสว่างความเครือบแคลงสงสัยเหมือนมืดเราไม่พูดถึงมืดแต่เราพูดเรื่องสว่าง แต่การเพิ่มของแสงสว่างนั่นเองก็จะทำหน้าที่กระจัดความเบิกเพราะแนวอนุสติทั้งหมดระยะสามข้อแรกเพือปลูกฝังศรัทธาของบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนในขั้นตอนการดำเนินชีวิตการสัมผัสอารมณ์และการประพฤติธปฏิบัติกรรมาฐานบางช่วงบางตอนที่เกิดความเครียแรงสงสยัยไม่้น่ใจขึ้นมา แต่เพราะศรัทธาเรามีมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตอนนั้นเราใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่มากพอต่อการไม่นิจฉัยเราก็บอกว่าข้อนี้รพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ทรงรักษาวไว้หรือได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์เป็นต้นก็เชื่อมกลับไปห า, ร า, าพระพุทธเจ้า ลัตษณะเหล่านี้คล้ายๆกับเราเกิดปัญหาเราไม่แน่ใจในเรื่องเรล่านี้แต่แทนที่จะตัดสินใจอะไรไปเลยเราก็ถามพ่อถามแม่ถามผู้ใหญ่ถามครูบาอาจารย์ขอาการวินิจฉัยจากท่านตรงนั้นเราไม่ได้ใช้ปัญญาตั้งสายชูตั้งหลายเรตังเกตเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นหลักแต่เราใช้ศรัทธาเป็นหลัก ค, คือเชื่อใครเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อสมณะพราหม์ต่างๆนั่น้ทำไมไม่ใช่ปัญญาหลักเพราะปัญญาเราไม่มากพอเราก็มีที่เกาะที่อิงซึ่งให้ความมั่นใจว่าจากการวิจัยตัดสินของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ในตัวนั้นก็จะได้ข้อยุติที่ถูกต้องเพราะเลยพระท่านเหล่านั้นมีความเมตตากรุณาเปความวางดี แล้จากจุดนี้เรามองกลับไปทีหนึ่งว่าพ่อแม่นั้นมีความรักความเมตตาต่อตัวครูบาอาจารย์มีความรักความเมตตาต่อศิษย์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตาผู้หนาต่อผู้น้อยเราเชื่อในคุณธรรมของท่านเราเชื่อในประสบการณ์ของท่านแต่วหมายความประสบการณ์ก็คือปัญญาความรักความเมตตาก็คือคุณธรรม แล้วก็มองกลับไปที่พระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยปัญญาทรงสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ทรงสมบูมรณ์ด้วยโกโรุณาก็เป็นคนที่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายพ่อแม่ไดยซ้ำไปบางอย่างท่านก็ ว, วินิจฉัยตามประสบการณ์ของท่านถึงแน่นอนว่าเป็นการพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าปัญญาท่านรู้อย่างลึกได้สองแทหรือไม่น่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในฐานะที่เป็นปุตตุชนที่จริงก็ยากจะอย่างรู้ได้สองแท แม้ท่านพูดไปด้ยวยความเมตตากรุณาแต่ก็น่าสงสัยประเด็นของปัญญาของท่านแต่ต้นาูาพุทธเจ้านั้นไม่มีข้ออะไรที่น่าสงสัยเพราะการเจริญผู้อนุสติจึงไปขจัดกิเลสประเภทโมหะไปก่อนแต่อย่าลืมพระโมหะนั้นเป็นรากง่าวเป็นต้นข้าวของสรรพกิเลส ท, ทั้งหลาย เราดูที่จิตเราให้เอเองคือไม่ต้องดูปริยัติก็ได้เพราะสมมุติว่าคนคนนี้เราศรัทธาท่านเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีสิ่งของต่างๆเราอยากให้ท่านและอยากให้ท่านรับทําไมใจจึงเกิดอยากอย่างนี้เพราะเราศรัทธาท่านต้องการจะบูชาคุณความดีของท่าน เช่นนักสาธารชนบางคนหรือเป็นอันมากที่ได้ของดีอะไรแต่อะไรมากก็นําไปถวายพระที่ตนเคารพนับถือทั้งๆทงี่ตัวเองก็ไม่ได้ฉันก็ไม่รับประทานนี่นําไปให้พ่อแม่นี่แสดงถึงจิตที่มันข้ามพ้นกระแสของกิเลสไประดับหนึ่งโดยพลังของศรัท ธ, ธาจะนึกถึงตัวเองน้อยแต่จะนึกถึงคนที่เราศรัท ธ, ธามากจะให้ความสําคัญแก่เราที่สุด แต่คนที่เราจะถามมาอย่าลืมว่าประเภทนี้จะมีกิเลสจะมีธรรมะบ้างธรรมะประเภทเดียวกันจะวยความรักก็ดีความเคารพก็ดีความภักดีก็ดีความเมตตากรุณาก็ดีเนี่ยจะมองไปที่บุคคลเหล่านั้นมากกว่ามองไว้ที่ตัวเองคือให้ความสำคัญแก่คนเหล่านั้นมากกว่าตัวเราเองดูแรงจิตที่มันบุกด้วยความรักความเคารพความภักดีความศรัทธาความเมตตากรุณา ดังความรักความเมตตาเราจะเห็นว่าบางอย่างาได้ของดีๆมาเราไม่ยอมกินเองเอาให้ลูกกินนั่นคืออาการทางจิตที่มันอาศัยพลังความรักความอาทรความห่วงใยตอ่อลูกคิดถึงตัวเองน้อยคิดถึงคนอื่นมากแสดงว่าอะไรแสดงว่ากิเลสประเภทโลภคือเพื่อตัวเองเนี่ยมันลดลงไปแต่มันจะออกมาในรูปอภิบาลคือชื่อตัวคนอื่น ลักษณะอภิบาลจะเป็นลักษณะธรรมะไม่จะลักษณะของกิเลสตลักษณะกิเลสก็คือดึงเข้ามาแล้ว ก, กอดรัดไวเรากลายเป็นของตัวเองที่เราพูดง่ายๆเราเห็นแก่ตัวทีนี้คนที่เรารักก็ดีคนเราศรัทธาก็ดีเนี่ยแม้มีการกระทำอะไรบางอย่างบางครั้งท้ากระดู ด, ดา่าท่านกระทํานี่แต่ที่เราจะโกรธหรืไม่โกรธแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันลดโทสะลงไปได้ อะไรเป็นตัวรถที่จริงก็คือศรัท ธ, ธาเป็นตัวรถเป็นพ ล, ลังที่ขับไล่บันทอนความรุนแรงของกิเลสได้ทั้งสามก่องเป็นโลภะโทสะโูหกต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป